ทุกเชา้ากิจวัตรอย่างหนึ่งของพวกเราคือการกินอาหารอาหารของเราก็คือข้าวผัปกปลาเนื้อนะมันเป็นอาหารของเราอาหารสําหรับเราก็เพราะว่ามันช่วยบํารุงร่างกายให้มีกําลังวังชามีเรื่องมีแรงแล้วก็แข็งแรงเจริญ ง, งอกงามแต่อาหารเนี่ยมันก็มีหลายแบบมันก็เหมาะสําหรับ สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไปบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะเป็นอาหารของเรานะแต่อาจจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับสัตว์อื่นอย่างเช่นมแมลงนะบางชนิด ก, กอ็อาศัยสิ่งปฏิกูลเป็นอาหารหรือว่านอนเนี่ยนะก็อาศัยอาจมเป็นอาหารอาจมก็คืออุจจาระนะแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ เสพหรือสแสวงหาอาหารที่ต่างไปจากที่กล่าวมาอาจารย์พรมวังโสนี่เคยเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะว่ามีอาณาจักรแห่งหนึ่งในขณะที่พระราชาเสด็จไปทำภารกิจนะนอกพระราชวังว่มีปีศาจ ต, ตนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในวังตัวมันนี่น่าเกลียดส่งกลิ่นเหม็น แล้วก็เวลาสำรอกนี่ก็มีแต่สิ่งปฏิกูลเป็นเพราะว่ามันน่าเกลียดนะมันส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยนะมันก็เลยตรงเข้ามาในท้องพระโรมได้พวกมหาเล็กนี่ก็กลัวนะแล้วก็ตกใจด้วยเพราะไม่เคยเจอปีศาจที่เหม็นน่าเกลียดอย่างนี้มันถึงท้องพระโรมก็ขึ้นไปนั่งบนบันลังเลย พอมหาเล็กเนะี่ยได้สติก็โกรธนะพากตะโกนขับไล่นะพีสาออกไปเจ้าพีสาออกไปยิ่งนะด่าว่ามันเท่าไหร่ยิ่งแสดงอาการกลาดเกลียวมากเท่าไหร่นะพิสาตัวนี้ก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นทีลนิ้วสองนิ้วนะแล้วก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นมากขึ้น พอปีศาจไม่ไปนะพวกมหาเล็กพวกทหารนี่ก็พากันขู่ว่าจะฆ่าว่าจะแล่เนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะยิ่งเจอวาจาที่ ก, ากราดเกลียวยิ่งเจออารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยไอ้ปีศาจตัวนี้ก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะจนกระทั่งกายเป็นเหมือนกับเป็นยักษ์ไปเลยแล้วก็ยิ่งทรงกลิ่นเหม็นหน้าเกลียด แล้วก็แต่ละคำที่พูดออกมาสำรองมานี่ก็หยาบคายนะสกระปรกยิ่งขึ้นนะก็พอดีนะพระราชาสเสด็จกลับมาเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แทนที่จะตกใจแทนที่จะหวาดกลัวหรือโกรธเกลียวนี่ก็กลับพูดกับพิษาตัว น, นี้ว่ายินดีต้อนรับเราขอต้อนรับท่านนะ แล้วท่านได้กินอะไรมาหรื อ, อยังนะกินข้าวกินน้ํามาหรื อ, อยังพอเจอคําพูดที่สุภาพนะเจออท่าทีที่เอื้อเฟื้อเนี่ยปิศาจตัวนี้ตัวก็เล็กลงพอมาเล็กเนี่ยเห็นเขาเนี่ยอาก็รู้แล้วว่าต้องทํายังไงกับปิศาจตัวเนี้ ย, ก, ก, ย, ย ก, บบก็พยายามพูดดีถามว่าท่านอาอยากได้ชามไหม หรือว่าสนใจน้ำน้าผึ้งไหจะหามาให้มาเรียกบางคนนี่ไม่ต้องไม่ถามมันนะเอาอาหารเอาของว่างมาต้อนรับเลยแล้วก็พูดดีนะพูดดีกับปีศาจ ต, ตนนี้บางบางคนก็เอาพัดมาปรนิบัติพัดวีแอกว่ายิ่งทายิ่งทำเนี่ยปีศาจ ต, ตนนี้ตัวก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่ง ขนาดเท่าเดิมเลยก่อนที่จะอ่มาที่ท้องพระโรงทั้งพระราชาทั้งหมาเล็กเนี่ยพอเห็นเช่นนี้เนี่ยก็ยิ่งพูดดียิ่งทําดียิ่งแสดงความเอื้อเฟื้อเข้าไปใหญ่นะถามว่าท่านสบายดีไหมนะจากนี้แล้วท่านจะไปไหนยินดีต้อนรับอยู่ไปนานๆนะคําพูดที่สุภาพความพูดที่เอื้อเฟื้อเนี่ยก็ดิ้นให้เปราตัวนี้ตัวเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งหายวับไปเลย หายไปเลยนะไม่เหลือล่องรอยเลยความเหม็นความน่าเกลียดศูนย์สลายหายไปแล้วอาจารย์พรมก็เพื่อวันเนี่ยไอปิศาจ ต, ตัวเนี้ชื่อว่าปีศาจกินความโกรธนะมันกินความโกรธเป็นอาหารต่างจากคนนะคนนี่กินผักกินข้าวต่างจากนอนนะกินอาจม m นะแต่ว่าปิศา ต, ตัวนี้เนี่ยกินความโกรธ แล้วท่าก็บอกว่ า, วาเนี่ยบางทีคู่ชีวิตของเรานี่นะมันก็เป็นปีศาจกินความโกรธนะคือพอเราพูดไม่ดีแสดงอาการอกลาดเกลียวไอ้ปีศาจกินความโกรธในคู่รักของเราก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นแล้วเขายิ่งแสดงอาการออกมาน่าเกลียดส่งกลิ่นเม้นต์เม้นนี่คือเม้นด้วยคําพูดนะแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะ ความเจ็บความปวดนี่ก็เป็นปีศาจกินความโกรธนะเวลาเจ็บเวลาปวดนี่ถ้าโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโกรธอวัยวะที่มันปวดหรือโกรธตัวปวดโดยตรงนี่ยิ่งปวดเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่ามันมีความโกรธเป็นพักษาหารแต่ทางตรงข้ามนะเออถ้าแผ่เมตตาให้มันนะส่งความปรารถนา ด, ดีให้กับอวัยวะที่เจ็บที่ปวด ปีศาจกินความโกรธก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็ลบกลัวเราน้อยลงจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยนกลายเป็นปีศาจกินความโกรธได้เนี่ยมันเป็นเพราะมีตัวหนึ่งนะคือตัวหลงนะพอตัวหลงที่มันคลองจิตคลองใจเราเมื่อไหร่เนี่ยเรากลายเป็นปีศาจกินความโกรธเลยนะเพราะว่า ความโกรธมันช่วยทําให้ความหลงนี่มันมีกําลังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นแล้วมันก็ครอบงําจิตใจเรามากขึ้นนะไม่ว่าหลงเพราะอะไรก็ตามนะหลงเพราะปวดหรือว่าหลงเพราะว่ามีความหงุดหงิดนี่ถ้าบ่อยให้มันคลองใจเราเมื่อไหร่นี่เราก็กลายเป็นปีศาจกินความโกรธได้ทันทีเลยแล้วเจอความโกรธจากใครนี่ในปีศาจนี่ก็ ยิ่งโตยิ่งโตมีอำนาจเหนือจิตใจเรามากขึ้นงั้นะถ้านอนเดียวกันถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยคนใกล้ตัวเราปิดปีศาจเห็นความโกรธเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ความหลงเข้าทุตเราเบาบางลงไปในการพูดวาจาสุภาพนะการทํำดีกับเขานี่มันก็ช่วยลดนะอํานาจของปีสาทความโกรธในใจเขาได้และเช่นกันนะถ้าว่าเรารู้จัก ดูดแลจิตใจของเราให้ดีมีสติมีความสึกตัวไม่เผลอไม่หลงง่ายๆเนี่ยไอ้ปีาศาจความโกรธมันก็มาคองจิตคลองใจเราได้ยากเาเวลาเรามีความหลงขึ้นมานะเมื่อรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามขับไล่ตัวหลงออกไปให้มีสติพระราชาในเรื่องนี้ก็คงเปรียบเหมือนกับอุปมาเหมือนกับสติและปัญญานะพระราชาไม่อยู่วังเนี่ยปีาศาจความโกรธเข้ามา ยึดวังได้แต่พอพระราชากลับมาเนี่ยคือสติปัญญากลับมาเนี่ยให้ปีปศาจกินความโกรธก็ค่อยๆหมดอํานาจลงหมดพิษสง์เพราะมันเจอสิ่งที่ตรงข้ามนะแทนที่จะได้ความโกรธเป็นพับสาหารนะมันกลับเหี่ยวแห้งลงไปเพราะว่าไม่มีความโกรธมาเป็นเครื่องบํารุงเลี้ยงมันวันนั้นเนี่ยก็ดูแลใจงร้อยดีนะอย่าให้ปีศายความโกรธมันอ คลอ ง, งําใจของเราหรือว่าทําให้เรากลายเป็นปีศาจความโกรธถูกปีศาจความโกรธเข้าสิงแล้วก็ดูแลคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรานะใหญ่ก็ เ, เป็นปีศาจความกินความโกรธต้องรู้วิธีที่จะเยียวยาเขารักษาเขาเพื่อขับไล่ปีศาจแห่งความโกรธออกไปไม่ได้ขับไล่ด้วยการดุด่านะแต่ด้วยการทําดีมีเมตตาผู้จาสุภาพอ่อนโยนนะมันก็จะเป็น การขับไล่ปีศาจกินความโกรธได้ช ง, งัตนะเหมือนกับที่มหาเล็กเนี่ยก็แทนที่จะขับไล่สายส่งนะปีศาจกินความโกรธตัวนี้ก็กลับพูดดีมีความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลท้ายปีศาจกินความโกรธก็หายไปเลยหายไปจากวางก็คือหายไปจากใจของเรานั่นแหละ